วันนี้เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน9ตรงกับวันที่15กันยายนพุทธศักราช2555เป็นวันพระด้วยวในพรรษาที่ว่าเป็นวันพระสำคัญคือเป็นวันสำคัญทางอิสานเหนือของพวกเราตั้งแต่โบ ร, โบราณเป็นวันทำบุญข้าวประดับดิน พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยก็คงจะได้ยินบ่กบุญข้าวฉลากบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดิน เ, นเดือนเก้าดับแล้วก็บุญข้าวฉลากวันเดือนสิบเพนเก้าดับสิบเพนเป็นวันทำบุญประจำปีของพี่น้องประชาชนทางอีสานเหนือของพวกเราเพราะนั้นวันนี้เป็นวันหนึ่งเป็นวันข้าวประดับดิน วันนั้นถือว่าเป็นวันสำคัญของพี่น้องชาวอีสานตั้งแต่โคราชขึ้นมาจนถึงประเทศลาวไอ้นถือกันมาตั้งแต่โบราณการวันนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนได้มาถึงวันนี้ก็ได้มาร่วมกันทาบุญอุทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนของพวกเราแล้วก็พร้อมกันก่อนที่จะทาบุญอุทิศส่วนกุศลพวกเราก็จะไหว้พระ รับศินซะก่อนสมาทานเจิกสินซะก่อนต่อไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานศินแต่ศินวันนี้ในพรรษาในคณะสัตยาธโยมโดยมากจะขอศินอุโบสถคือศินแปดที่มะยังพันเตติสระเณนะสหอัดถังคะอัดถังฆะแปลว่าอัดธ า, ะนะดาแปลว่าแปดรักษาศินแปดแต่ผู้ที่จะรักษาสินหนะ้าก็หลวงพ่อก็จะพูดให้ทราบว่าวเออสินห้าจบเพียงเท่านี้นะ เพราะนั้นเรื่องศีลเราอย่าไปมองข้ามศีลและธรรมเป็นเครื่องนำจิตใจของเราให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขชุมชนสังคมประเทศชาติโลกยุคใดสมัยใดถ้ามีศีลมีธรรมแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าโลกทั้งโลกมีแต่แก่งแย่งกันมีแต่ขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมองกันก็นมีแต่อริศัตรูทั้งหมด โลกทางโลกในยุคนั้นก็มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นพวกเราถึงยังไงพวกเราเด่นับถือประธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าพวกเราควรจะเป็นกลุ่มชนที่ดีมีเมตตาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันพวกเราก็จะสงบพรมเย็นเป็นสุขในกลุ่มของเราถ้าต่อเนื่ไป หลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันที่15กันยายนพุทธศักราช2555ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน9เดือน9ดับวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเป็นวันสำคัญเป็นวันข้าวประดับดิน ความเป็นมาของการทำบุญข้าวประดับดินตั้งแต่โบ ร, โบราณในพรรษาพระสงฆ์จำพรรษาไม่ได้ไปที่ไหนพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมก็พร้อมอยู่ในพื้นที่จึงสมควรเหมาะสมยิ่งที่จะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายปงสาคนาญาติญานิมิตรสาหาถ้าจะเปรียบเทียบกับ คนจีนหรือประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เขาก็ว่าทาบุญไหว้เจ้าหรือว่าทาบุญลํำลึกถึงบุภการีนี้คือลักษณะอย่างนั้นล่ละพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาจากไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้รงหายตายจากไปอย่างมีที่ดินที่ดอนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพที่บ้านที่พักพาอาศัย เรื่องต่างๆที่ท่านได้ส่อแสวงหามาให้เราแต่บัดนี้เราได้เป็นทายาทของท่านได้ทํามาค้าขายตามที่ชั้นได้ทำมาก่อนพวกเราก็ได้เดินตามหรือว่าผู้เป็นชาวไร่ชาวนาก็ได้ที่ดินจากพ่อแม่มาปู่ย่าตายายมาแล้วก็ทํามาหาเลี้ยงชีพครอบครัวของเราแต่มาถึงวันนี้เออ เราไม่มีอะไรจะทดแทนพระคุณของท่านที่ปู่ย่าตายายของเราที่ล่วงลับดับขันไปก่อนในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุธทธเจ้าทังหวะเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลลาลึกถึงพระคุณของปู่ย่าตายายพ่อแม่ของพวกเราถ้าว่าผู้ใดก็าตามผู้มีปัญญาทั้งหลาย ย่อมลำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ของตนเองได้มากคนมีปัญญายิ่งลำลึกถึงพ่อแม่ได้มากถ้าว่าคนที่ไม่มีปัญญาคนโง่พูด ง, ง่ายๆคนโง่จะลำลึกถึงพ่อแม่บุญคุณของพ่อแม่ไม่ได้มีแต่โลภโกรธหลงอยู่ในจิตในใจมีแต่โลภแล้วก็โกรธให้พ่อให้แม่อีกต่างหากถึงพ่อแม่จะล้มหายตายจากไปแล้วก็ยังโกรธให้ท่านอยู่ว่าท่านไม่ลำเอียงท่าน ไม่รักตนเองลักษณะอย่างนี้ะแต่ตามไม่จริงพ่อแม่ท่านมีความถึงจะให้ท่านรักทุกขูทุกคนเสมอภาคกันก็คงเป็นไปไม่ได้พวกเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เหรอพวกเรารักลูกพ่อของเรารักพี่น้องของเราทุกคนเสมอกันอย่างนั้นใช่ไหมพ่อแม่ของเราก็คือเป็นผู้มีกิเลสมีโลภโกรดหลงอยู่ท่านจะให้รักเสมอกันเป็นไปไม่ได้ นี่เราต้องรู้ว่าสันชาตยานของมนุษย์ของเราเป็นอย่างไรไม่ต้องเปรียบเทียบของคนอื่นเปรียบเทียบใส่เรานี่ล่ะเราก็ยังไม่รักเสมอกันและจะให้พ่อแม่รักเสมอกันได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้คิดแต่ถึงยังไงพ่อแม่ถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หากว่าท่านเราเกิดมาแล้วท่านคว่ำหน้าซะลูก ของท่านเราก็คงจะไม่ได้ใหญ่ถึงมาถึงขนาดนี้ที่ท่านยังทะนุถนอมเลี้ยงดูพวกเรามาอยู่ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณในเมื่อเราใหญ่ถึงขนาดนี้แล้วเราพร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทั้งสี่ขาสองแขนสองสมองหนึ่งสำหรับพวกเรามีอยู่แล้วพวกเราจะไปอ่อนแอปวกเปียดจะไปหวังหมอโรคจากพ่อจากแม่อย่างนั้นได้อย่างไรพอเราใหญ่ขึ้นมาแล้ว ขาสองแขนสองสมองหนึ่งพร้อมที่จะกระโดดไปในทิศทั้งสี่ยังไงเพื่อจะเกิดประโยชน์ยังไงจึงเป็นทรัพย์สมบัติยังไงจึงจะร่ํารวยในทางที่ถูกต้อง เ, อเราก็ทําสิ่งนั้นนี่แหละเมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องลําลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูเรามาจากนั้นเราก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างวันนี้นะ่ะคนโบราณเขาจึงให้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่ง ให้ลำลึกถึงคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายให้ลำเลึกถึงจากนั้นเราก็ทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาทำบุญในวันนี้นะในนาอาหารอ่าหรือปัจจัยสี่อ่สิ่งใดก็ตามมาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาถวายกับพระสงฆ์ผู้มีศีลเมื่อเมื่อเราถวายแล้วเราก็น้อมจิตอุทิศ ส, ส่วนกุศล ต่อบรรพชนของพวกเราปู่พ่อแม่ปู่ยา่าตา ย, ยายอันนี้ถือเป็นประเพณีกันมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าพ่อแม่ท่านเคยทํามาอย่างนี้จากเมื่อท่านตายไปอย่างนี้เมื่อท่านตายไปมรณภาพลงไปบางทีท่านอาจจะได้ทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้บางทีก็อาจจะไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นสัตว์ พ้นจากสัตว์มามาเกิดเป็นบุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากวิญญาณเลื่อนลอยถ้าว่าถึงวันนี้มาท่านก็คงจะลำลึกเออสมัยก่อนเราเป็นมนุษย์เราได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่วันนี้ลูกหลานได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เราบ้างหรือเปล่านานี่อันนี้ก็คือเมื่อตกทุกข์รยากยังลำลึกถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายาย ถ้าเราไม่ตกทุกข์ได้ยากเราก็ไม่ระลึกถึงแต่เมื่อเราตกทุกข์ไยากเราต้องระลึกถึงนี้ก็เหมือนกันนะั่นน่ะวิญญาณถ้าหาว่าท่านไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าถ้าท่านมีความสุขอยู่แล้วไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมท่านก็คงจะมีความสุขของท่านแต่ถ้าหาว่าท่านไปไม่ถึงขนาดนั้นท่านยังตกแวะแวะคล่องคองอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายวิญญาณท่านก็คงอยากจะได้ ส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราที่ทําบุญอุทิศควรส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือวิญญาณเมื่อท่านร่วงรับดับคันไปแต่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายคงเหมือนกันถ้าพวกเราท่านทั้งหลายมรณะภาพลงไปถ้าหากว่าพวกเราตกทุกข์ไดยากพวกเราก็คงจะย้อนถึงเออลูกหลานได้ทําบุญอุทิศให้เราหรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนเราก็เคยทําบุญนะเนี่ยอันนี้ก็คือส่วน อ, อีกเหมือนกัน แต่ถึงยังไงพวกเรารู้แล้วว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพวกเราควรจะทำบุญตั้งแต่บัดนี้ล่ะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์วัดป่าเวลวันท่านปราถึงพระเจ้าพิมพิสาร ญาติของพระเจ้าพิมพ์ิสารที่ตายไปแล้วเป็นเปรตเน่เพราะว่าทากรรมไม่ดีในก่อนหน้านั้นตอนชาติก่อนนั้นต่อไาก็ตกนรกออกจากนรกก็เป็นเปรตเป็นกลุ่มจากนั้นพระเจ้าพิมพ์ิสารถวายวัดป่าเวลุวันไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวัดแรกในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมโคตมะของพวกเรา เมื่อถวายเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้ใดแต่ธนิยดาของพระเจ้าพิมพ์พิสารแต่ชาติก่อนๆนะท่านก็คอยจังหวะอยู่ว่าพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยจะได้ทําบุญในพระพุทธศาสนาได้ถวายวัดในพระพุทธศาสนาแต่นี้เมื่อพระเจ้าพิมพ์พิสารถวายวัดป่าเวลุวนันแต่ท่านไม่ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงใครนะเปรตตรงนั้นก็ไม่ได้รับ พอไม่ได้รับกันก็แสดงตนให้ปรากฏในการคืนวันนั้นฮะมีไม่มีเสื้อผ้าบางผอมก็หล่องดองอะไรลักษณะอย่างนั้นแหละแขวนโตงเตงจนพระเจ้าพิมพิสารนอนไปหลับทั้งคืนได้มากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธ เ, เจ้าว่าเออนั้นเป็นญาติของพระองค์เมื่อวานนี้พระองค์ได้ถวายวัดป่าเวทุวันและไม่เด่นน้อมอุทิศส่วนกุศลถึงเขาเขาจึงทวงเขาจึงทวงแสดงตนให้ปรากฏ ถ้าต่อไปให้พระ อ, องค์เวลาทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เขาด้วยนี่แหละคือความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นเพราะนั้นเวลาเราไปทำบุญณสถานที่ใดขอให้พวกเราคณะสัทธาติยาาญญมน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายในอดีตชาติผู้ใดก็ตามดวงวิญญาณใดก็ตามถ้าหากว่า พร้อมที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้พวกเราคอยน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณ น, นั้นท่านเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนแบ่งในการสร้างบุญสร้างกุศลจากพวกเราเนี่แหละคือการทําบุญวันข้าวประดับดินก็เป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณที่ท่านได้ร่วงรับดับขันไปอาจจะตกทุกข์ได้ยากเพราะญาติปี่น้องของเรามีมาก บางทีก็ทำกรรมไม่ดีผังทำกรรมชั่วบงังไปตกนรกมาก่อนแล้วก็ผ่านจากนรกขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไหนไม่ได้พระบุญกุศลยังไม่มียังเที่ยวเร่ร่อนอยู่ในวัฏสงสารพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนามาพบแหล่งเงินแหล่งทองแหล่งทรัพย์สมบัติเมื่อเราได้พบแหล่งเงินแหล่งทองแหล่งลับทรัพย์สมบัติเราก็ได้ทาบุญในพระพุทธศาสนาเมื่อทาบุญเสร็จแล้ว แล้วก็แบ่งบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะนั้นเราจึงได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถ้าเราจะบรรยายเกี่ยวพักเกี่ยวกับพระคุณของพ่อของแม่แล้วพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณยิ่งสำหรับ พ, พวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อท่านพ่อแม่ลวงรับรับขันไปพวกเราขอให้ลาลึกถึง แล้วทิส่ส่วนกุศลให้อันนีค้คือเป็นประเพณีทางโบราณเขาถือมาตั้งแต่ดึกดำบันนแต่เมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อก็ปาลบถึงเรื่องเปรตอีกเหมือนกันนะ เ, เรื่องเปรตที่พระพุทธเจ้าพระโมคคะลาท่านเห็ น, ท, น, หนท่านเห็นเปรตที่ตีนเขากิจจกูดในกรุงราชาคื อ, อพระโมคคลาเห็นท่านก็ยิ้ม ลูกศิษย์ของท่านคือท่านพาระลักษณะท่าก็ถามว่าทําไมอาจารย์โมคลาจึงยิ้มให้ไปถึงต่อหน้าพระพักพระพุทธเจ้าซะก่อนนะั้นยังค่อยถามผมผมจะบอกให้ฟังผมจะเรียงลําดับให้ฟังจากนั้นพระลักษณะก็ลงไปปินฑบาทพร้อมกับพระโมคลาชันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าตอนสันจังหารเสร็จพระสงฆ์ก็มีหมู่มามากพระสงฆ์คนนั่งคอยฟัง พระลักษณะก็ถามพระโมกคลาวบบท่านอาจารย์โมกคลาครับที่ท่านเดินลงมาจากตีนเขาคิจกูท่านยิ้มด้วยเหตุอันใดครับเพราะว่าท่านได้บอกกับผมว่าให้มาถึงสำนักพระพุทธเจ้าซะก่อนจะค่อยถามผมแต่บัดนี้นั่งอยู่เฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าแล้วผมขอถามอาจารย์โมกคลาว่าอาจารย์โมกคลายิ้มด้วยเหตุอันใดโมกคลากระบอกอื้อ ผมเดินลงมากับท่านมาตีนเขาคิดจูดเห็นเปรตตนหนึ่งไฟไหม้เอเป็นเปรตลักษณะเปรตงูแต่หัวเป็นมนุษย์แต่ตัวยาวไฟลุกลามไหม้อยู่ตลอดทั้งหัวเขามีความทนทุกทรมานอย่างมากพระพุทธเจ้านั่งอยู่เฉพาะ พ, พระพักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าใช่โมกขลาเราเห็นเมื่อเราตัดสรู้ ที่โครนต้นโพ ว, วันแรกเรามองดูตรวจดูสัพพสัตต์ตรตวจดูสั ต, ตวโลกเราก็เห็นเปลืตัวนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยนเะพราะบาปกรรมของเขาในอดีตบาปกรรมในอดีตก็คือสมัยก่อนหน้านี้เขาเกิดในระหว่างระหว่างพระพุทธศาสนาคืออย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าพระโคตมะกับพระศีริยะอย่างนี้แนหะแต่เดี๋ยวนี้พระศาสนาของพระโคตมะเนี่ยยังไม่หมดนะ ท่านศาสนาพระโคตมาหมดพระปัิเจกพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกในระหว่างนั้นในระหว่างศาสนาต่อศาสนาเนี่ยพระปฏิเจกพรพุทธเจ้าจะเกิดแล้วก็ลือศีสีไพรก็จะเกิดในยุคนั้นลือศีสีไพรก็จะหอะเหินเดินอากาศได้พระปฏิเจกเกิดอุบัติขึ้นในช่วงนั้นแต่นี้ในช่วงระหว่างระหว่างศาสนาพระปฏิเจกอุบัติขึ้น แล้วก็ท่านก็ไปบิณธบาตในกรุงพาราณสีพระประเจกนะตัวมากพระประเจกไปองค์เดียวนะอยู่องค์เดียวไปองค์เดียวท่านไปบิณธบาตในกรุงพาราณสีจากนั้นท่านก็เดินผ่านข้ามท้องนามาแล้วก็เขาก็เห็นว่าตรงนั้นเป็นที่ป่าละมาะกใกล้น้ําเป็นที่เหมาะสมสําหรับพระประเจกพุทธเจ้าบําเพ็ญภาวนาและก็พร้อมกันก็ไม่ไกลมากชาวบ้านก็จะได้มาทําบุญ ตอีพระปฏิเจกต์ท่านก็เห็นว่าหมาะท่านก็ชาวบ้านเขาก็มาสร้างศาราเล็กๆกระต๊อบเล็กๆสําหรับถวายพระปฏิเจกต์พุทธเจ้าองค์เดียวจากนั้นตอนเช้าพระปฏิเจกต์ก็บินธบัติก็ข้ามท้องนา เ, อาเล็กๆท้องนาแล้วก็ไปบินธบัติแล้วก็กลับมาข้ามท้องนามามาพักที่พักในพรรษาแต่ได้พวกชาวบ้านเขาก็เดินตามพระปฏิเจกมาทําบุญ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาทําบุญวัดของเราเนี่แหละจะได้คนกันหลั่งไหลมามากขึ้ น, นเรื่อยๆแต่ชาวนาคนนั้นน่ะไม่พอใจทีนี้พไปเหยียบคันนาเขาทีนี้พอเอาขึ้นคันนาที่ไรพวกชาวบ้านก็มาเหยียบก็โมโหไม่รู้จะทำยังไงก็คิดได้อย่างเดียวว่าต้องไปเผาศลาพระประเจกต้องเผาที่พักพระประเจกเท่านั้นแหละพระปฏิเจกหนีแล้วพวกนี้คงไม่มา นี่พระประเจกอยู่นี่แหละเหตุแห่งชาวบ้านมาเนี่ยเพราะพระประเจกนี่แหละเนี่ยชาวนาคิดใดเพียงแต่แค่นั้ น, น่ะจากนั้นชาวนาก็โมโหสุดขีดเยไปกับไปเผาสาลาไปเผากฎิตุ่มน้ําอะไรก็ค้อนทบแตกกระตุยกระจายไปหมดนะเพื่อจะให้พระประเจกหนีจากจุดนั้ น, น่ะแต่เมื่อเขาไม่ได้คิดว่าบาปกรรมเทอานั้นจะให้ผลยังไงเขาคิดแต่ว่าโมโหเท่านั้นเองเล จากนั้นเขาก็ไปจัดการอย่างที่เขาคิดนะเขาก็ไฟเผาเสร็จแล้วก็ค้อนทบุบตุ่มน้ำอะไรแต่กระจุยกระจายไปหมดผลนิสิตสุดพระประเจกบินทบาทกลับมาพอมาเห็นโอเขาไม่พอใจอย่างมากพระประเจกก็เลยหลีกไปที่อื่นท่านเหาะไปเลยละ่ะพระประเจกด้วยมากไปที่ไหนท่านเหาะไปนะไปโดยญาณรัศนะของท่านพอไปก็ไปเลยพอชาวบ้านท่านก็ตามมา ตามมาก็าเห็นไวยไม่สาลากุติพ่อพระเจอของก็จุยกระจายหมดเขาก็ถามเอา้าใครทำเนี่ยชาวนาคนนั้นก็ยังโมโหในใจยังไม่รู้จักจบนะผมทําอะทำ เ, เพราะว่าเนี่ยเหยียบพนาของผมแหลกเหลวไปหมดบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วไม่ฟังมีแต่ทางเดียวเท่านั้นผมจะต้องจัดการหอว่าเท่านั้ น, นพวกที่ไปจังหันพรพระเจประทบุนกับพพระเจ เลือดขึ้นหน้ามือนการยังเป็นปุตุชนอยู่ใช่ไหมเอาทํำไมจึงทําขนาดนี้วะทําทไมกระทํากับพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทําอะไรกับท่านเนี่ยทำไมจึงทําขนาดนี้บอกกันดีดีก็ได้บอกกันเกิดจะได้หาช่องทางทําไมจึงทําอย่างนี้พอฮวันกับชาวบ้านก็จับคนละแขนใหอมาลุมมาตุ่มกันไม่รู้ศอกไม่รู้เขา่าไม่รู้กําปั้นเออยัดเข้าไปชาวนาก็เลยตายฮะ พอตายเสร็จแล้วน่ยไปตกนรกชาวนาเป็นไปนตกอเวจีมหานรกพอพ้นขึ้นมาก็มาเกิดเป็นเปรตเนี่แหละบาปกรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านบรรยายนี่แหละตายแล้วไม่ศูนย์ท่านบอกว่าวกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละเมื่อชาวนาเขาทำพระกุตติสลาพระประเจกนะแล้วก็เนี่ยเขาก็ได้รับไฟเผาตัวเอง ทั้งหัวทั้งตัวตลอดเพราะบาป ก, กรรมที่ได้เคยทำเอาไว้นี่แลหลวงพ่อเองก็อดคิดไม่ได้อีกเหมือนกันนะหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่วัดหนองน่องบ้านห้วยทรายอำเภอคำชี้มุกดาหารท่านไปอยู่อีกฝากท้องนาหนึ่งอีกเหมือนกันนะั่นน่ะท่านก็พาพระสงฆ์สิบกว่าองค์มาบิณฑบาตในหมู่บ้าน แต่ในชาวนาของอย่างที่ว่าเนี่ยนะโมโหอย่างที่ว่าเนะี่ยมันไม่รู้จะทำยังไงจากนั้นก็เนี่ยนะเอาขี้ใส่ใบบอลนนะหอเสร็จแล้วก็มาเทลาดเสร็จคันนาแล้วก็หาไม้เขี่ยไปเขี่ยมาไอ้ตรงที่พระบินทบาทกับชาวบ้านไปจังหันเนะ่โอ้เลอะไปหมดเลยทีเดียเวลาฝนตกพอลินลินเนะนี่แหละออนนี้ชาวบ้านเขาก็พูดกันไม่รู้จักจบ ลุงพ่อเป็นพระน้อยเด่นน้อยก็โอ้บาปกรรมแท้ๆนะี่เป็นบาปกรรมแท้ๆ ท, ทำอย่างนั้นพอได้ลูกออกมาเนี่ยเป็นบ้าก็มีเป็นบ้าแล้วก็ตาบอดเป็นเกิดเป็นใบเอเป็นบ้าเป็นบอดเออลูกหลานเนี่ยมันบาปกรรมแต่พวกเราถามว่าทำไมพ่อก็ททำอย่างเดียวเขาทำไมจึงได้รับกรรมอย่างนั้น พ่อลูกเขาเกิดมาเขาก็ไม่ได้ทําเขาก็เกิดมาแล้วนันเองนี่แหละหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยคือผู้ที่ทําน่ยคือพ่อแม่อพ่อหรือแม่จะเป็นส่วนมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าก็าไม่รู้นะอะพ่อแม่ก็ต้องทำบารนะมีต้องคุยกันนะนะั่นแหละโมโหนะ่ะคงจะคิดไม่ดีในเมื่อทําไปแล้วเนี่ยต้องมันก็เป็นบาปสําสหรับพ่อแม่ แต่ว่าโลกทำไมจะเป็นบาปด้วยโลกก็คือคงจะทำกรรมแบบเดียวกันกับทีหลังๆมันยังมีวิบากกรรมอยู่ก็มาเกิดกับผู้ที่ได้ทำกรรมแบบมาทำกรรมแบบตัวเองเอาไว้คือให้มันช้ำเติมเข้าไปเพราะกรรมอันนีนะ้มันกลุ่มเดียวกันคนที่มาเกิดมันก็มาเกิดลักษณะอิจฉาพยาบาทวัดวาศาสนาอิจฉาพยาบาทคู่คนทั้งหลาย ที่ทําคุณงามความดีไปอิจฉาขอทั้งหมดท่านเลยเมื่อความอิจฉาตัวนั้นเมื่อผ่านตกนรกหมกไหมมาแล้วก็มาเกิดกับคนที่กลุ่มเดียวกันนั่นแะมันก็เลยทุกข์นะท่นเลยเลี้ยงบ่าเลี้ยงบอดเลี้ยงใบเข้าไปเถิดดูซินั่นแหละอันนี้เอดสรุปแล้วก็คือกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําไปแล้วตัวเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสาาตัตยาธิษฐโยมทุกหมู่ทุกเหล่าว่ากรรมชั่วนีจริงนะบาปบุญมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะฉนั้นพวกเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกเราศึกษาและศึกษาและให้ลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยอย่างพวกเราวันนี้แหละในกรรักษาศีลอย่างนี้ ให้ปฏิบัติให้ตลอดรอดฟังจากนั้นให้พวกเรานั่งภาวนานั่งภาวนาเนี่แหละจุดที่สำคัญในเมื่อเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายเหมือนกับรถใจของเราเหมือนกับคนขับรถใจรถกับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่คนขับรถเป็นบังคับรถให้ไปชนใครก็ได้ ไปเหยียบใครก็ได้ไปลังแกใครก็ได้แต่ทในเมื่ อ, เ, อ, อเมื่อรถไปชนคนอื่นเราคิดดูซิว่าเขาเอาโทษกับใครเขาเอาโทษกับรถใช่ไหมหรือเขาเอาโทษกับคนขับรถนี่แหละหลักของพุทธศาสนาก็เหมือนกันถ้าร่างกายของเราไปทํากรรมชั่วทํากรรมที่ไม่ดีแต่บาปกรรมนั้นจะเข้าสู่จิตใจ คือตัวนามธรรมตัวนามธรรมคือจิตใจที่มองไม่เห็นนั่นละตัวนั้นจะได้รับบาปกรรมบาปกรรมอกุศลที่เราได้ทำเอาไว้เพราะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ตายแล้วไม่สูญก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายก็น่าจัทธาญาติโยมและประกอบแต่คุณงามความดีให้ลํำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ในหลักของพุทธศาสนาพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าก็คือทิศตะวันออกเราเกิดมาลืมตาขึ้นมาก็เห็นพ่อเห็นแม่เป็นคนแรกจากนั้นพ่อแม่ก็สอนเราะ ในประเทศเบื้องหลังกับสื่อสามีภรรยาให้ปฏิบัติตนให้ถูกให้รู้จักสิทธิ์ของใครของเราอย่าล่วงละมั่นกันอย่าไปทํา<ม>เหยียบย่ําทําลายใจหัวใจกันละกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่สามีภรรยาถ้าผูใ้ใดรู้จักสิทธิ์เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันครอบครัวนั้นก็มีความสุขเนะ น, นี้ในในทำคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนทิศเบื้องขวาอาจารย์ตั้งแต่เราเรียนหนังสือ ปฐมมัธยมปริญญาตรีโทเอกวิธีการทํามาหาเลี้ยงชีพวิธีทรมาค้าขายวิธีการซ่อมรถวิธีการตัดผมวิธีการเย็บผ้าล้วนแล้วจะมีครูบาอาจารย์แล้ววิธีการทําอาหารขนมเลยก็มีครูบ า, า อ, อาจารย์สอนอาจารย์ที่คือทิศเบือ้องขวาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาแล้วต้องมีหมู่มีเพื่อนมีมิตรมีสหายมีกิรยาณมิตรที่ดี ถ้าคนมีกันระยะในมิตรที่ดีทำมาค้าขายก็เจริญไปได้ถ้าไม่มีมิตรไม่มีสหายตัวคนเดียวน่ะเออก็ได้ทําเพียงแค่นั้นล่ะอ่เพราะนั้นไม่มีมิตรเสหายที่ดีถ้ามีมิตรสหายที่ดีแล้วเราทํามาค้าขายก็ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเออไม่กดไม่โกงกันเออเป็นมิตรเป็นสหายที่ดีเป็นกันระยาในมิตรที่ดีคนคนนั้นก็บริษัททางร้านนั้นก็มีแต่ความเจริญ อันนี้ก็คือทิศเบื้องซ้ายมิรสหายทิศเบื้องต่ำคนใช้บริวารลูกน้องบริวารถ้าเรามีบริวารที่ดเีเราก็ต้องแบ่งปันสิ่งของอาหารการบริโภคให้รางวัลเขาเลี้ยงดูเขาเขาก็เป็นคนดีถ้าบริวารไม่ดเีเราก็เป็นคนไม่ดีไม่รู้จักดูแลลูกน้องบริวารพอที่สุดบริวารก็ไม่เป็น บริวารที่ดีของเราพวกเราจะสั่งอะไรลงไปทําอะไรลงไปไม่มีบริวารไม่มีลูกน้องบริษัททางร้านนั้นก็ดีครอบครัวนั้นก็ดีจะหาความสงบเป็นทุกไม่ได้อันนี้แปลว่าทิศเบื้องต่ําบ่าวคือคนใช้คนงานไม่ดีแล้วจะทำยังไงเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีพวกเราเป็นหัวหน้าเขาเป็นเจ้านายเขาต้องให้ความอบอุ่นกับลูกน้องถ้าลูกน้องดีแล้ว เราก็ร่มเย็นเป็นสุขได้อันนี้วัทิดเบื้องตามเบาทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็อย่างหลวงพ่อเนี่ยนแนะนําลูกหลานสัตยา ญ, ญาติโยมสิ่งไหนมันดีสิ่งไหนไม่ดีดลูกหลานอย่าทําเนอรสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําแล้วลูกหลานจะเดือดร้อนน ะ, อะสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถึงจะได้กําไรดีก็เถอะแต่ทําไม่ดีลงไปแล้วจะเดือดร้อนอะจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อน ่ผลในสุดไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราที่อยู่ด้วยกันเยสมณพราหมณ์จะต้องแนะนำในทางที่ถูกทิศ ท, ที่ถูกต้องอันนี้ในหลักของพระศาสนาเรยว่าทิศทั้ง6กนี่และทิศทั้ง6นนะทิศ เ, เบื้องหน้าบารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวากูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนสมณพราหมณ์ถ้าพวกเราปฏิบัติถูกต้อง ในทิศทั้งหอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนี้เรื่องหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้บอกกล่าวไวน้นี้พวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญนะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโภชนิยกถาให้แก่พวกเราคณะทาญาิโ ย, ยมเพื่อการศึกษาเพื่อการได้ยินได้ฟังเพราะถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งทางอีสานของพวกเร า, เาต่อเนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพวกเราให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศล บรรพชนผู้มีอุปกรณคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย